เรื่องภิกษุตรึกถึงกามหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกําลังคุ้นคิดถึงกา ม, มารมณ์น้ําอสิจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอคุ้นคิดถึงกา ม, มารมณ์ไม่ต้องอบัติวงเล็บเรื่องที่สี่